สองจิตสองใจไม่รู้จะพูดดีแล้วจะนั่งสมาธิดีฟังเป็นยังไงพอฟังได้ไหมถ้าฟังได้ก็จะลองพูดไปก่อนถ้ามันตกหนักจนกรทั่งฟังไม่รู้เรื่องก็ค่อยหยุดถ้าตอนนี้พอฟังได้ก็ ลองนั่งฟังกันไปก่อนมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางฟังก็ได้ความรู้นั่งก็ได้ความสงบแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์การที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ความจริงพระพุทธศาสนามีไว้เพื่ออะไร mm. ความจริงของพระพุทธศาสนาก็คือมีไว้เพื่อให้ความรู้กับพวกเราเนั่นเองพวกเราอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้เราอาจจะคิดว่ามีไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง รักษาชีวิตจิตใจของพวกเราให้แค็งแ่าปลอดภัยแต่ความจริงนี้ไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธศาสนาดีกว่าดีกว่าอย่างที่เราคิดกันดีกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครอง รักษาชีวิตจิตใจของพวกเราดีกว่าอย่างที่เราคิดกันเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่มีไว้เพื่อทำให้เราฉลาดเพราะว่าความไม่ฉลาดของพวกเราหรือความโง่ของพวกเรานี้ เป็นเป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามาอยู่กันตรงนี้คนที่มาอยู่กันตรงนี้นี่ถือว่าไม่ใช่เป็นคนฉลาดเป็นคนง่คนฉลาดไม่มาอยู่ตรงนี้กันไม่มาเกิดกันไม่มาทุกข์กันคนง่เท่านั้นที่มาเกิด มาทุกขกันอขอให้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็ยังถือว่าไม่ฉลาดอยู่ดียังถือว่าโง่อยู่ดีต อ, อนนี้เดี๋ยวขอหยุดก่อนดีกว่าพูดแล้วมันเหนื่อย นั่งสมาธิกันสักพักก่อนนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้อย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วจะหดเหยียดลำคานใจนั่งแล้วต้องดูลมหายใจเข้าหายใจออก หรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ทิ่ิพิโสไปอตอนนี้ฝนก็ซาลงแล้วใกล้จะหยุดว่าจะขออนุมโมทนาให้พรแล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติโยมถวายข้าวของ หรือมารับหนังสือซีดีตามลำดับต่อไปยะทาวาริวาหาปุราปริปเรนติสาคังเอวเมีวะอิโตทินังเตตานังอุปกาปติ เชตังปะเทตังตุมหังพิพัมภะวาสเมชัตโตสะเปโระอิโตจังกะปาจันโทปนะรโสยถามะนิโชติภาโสยถาสะพีติโยวิวะจันโตสภรโควินัสโต มาเตภวะตวันตาลายยสุขีทีคายุโกภวะปทพิวาทานาสิลิสมิจังวุธาปจายโนจตารุธัมมาวทานเตอายุวันโสุขังพาลา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 67ท่าน y o ย t u b บ128วิทยุออนไลน์13ผู้รับฟังบนเขา42รวม250ค่ะ uh, ที่แรก Facebook ไม่มีเสียงอ่ะค่ะ uh, สัญญาณไม่ดีค่ะไม่มีเสียงแล้วก็ไม่ได้เทศคนเลยไม่ได้ฟังเยไม่ได้นั่งนั่งสมาธิไม่ได้บรรยากาศอาจจะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่สงบ นั่งง่ายที่ไหนสงบแล้วนั่งสมาธิง่ายที่ไหนอกระทึกคึกโคมนั่งยากถ้าหนึงบอกว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกต้องหาที่สำหรับที่ร่างกายอยู่แล้ววิเวกสงบสงัดพมื่อกายวิเวกจิตก็จะวิเวกคือสงบง่ายไม่ต้องบังคับมาก เพราะไม่มีอะไรมารบกวนใจแต่ถ้าไปนั่งอยู่แถวที่มีเสียงรกระทึกคุ่คโคมเช่นแถวดิสโก้อย่างนี้นั่งไปทั้งไม่มีวันที่จะสงบได้มีแต่คนกระโดดโลดเต้นร้องเฮฮาปาร์ตี้นั่งไปที่เงียบๆอย่างบนเขานี่ แล้วนั่งมันก็จะสงบได้เพียงแต่ดูลมเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรง่ายจะตายไปถ้ามีที่ดีแล้วเนี่ยนั่งดูลมไปเฉยๆเข้าออกเข้าออกแค่นี้แหละจิตมันก็สงบได้ยันถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้เกิดผลต้องหาที่เงียบๆถ้าอยู่ในบ้านก็ทำห้องนั่งสมาธิห้องเก็บเสียง อย่ให้มีเสียงเข้ามาเหมือนห้องที่ห้องอัดเสียงของตามบริษัทอัดเสียงเข้าไปแล้วเงียบเปิดแอร์เบาๆเย็นๆทีนี้ก็นั่งเหมือนกันนั่งอยู่ที่บนเขาถ้าอยากจะให้ดีก็เอาโปสเตอร์ปะตามฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ภูเขา จะได้บรรยากาศของป่า mm hmm. ป่าเทียมก็ยังดีกว่า mm hmm. าลองทำดูไิถ้าทำได้ก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้อย่าจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็เ mm hmm. ข้าไปในห้อง mm hmm. แล้วก็นั่งหลับตาต mm hmm. อนต้นอาจจะเปิดธรรมะฟังกล่อมใจไปก่อนก็ได้ mm hmm. พอใจเริ่มเบาเย็ยนก็หยุด หยุดฟังแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวก็ได้ของมันไม่ยากมันอยู่ที่เราไม่ยอมทํากันเองไม่พยายามทําอ้างโน่นอ้างนี่ร้อยแปดพันประการไอ้เรื่องอื่นทําเวลาจะทําอย่างอื่นไม่เห็นมีเรื่องอ้างเลยไปเที่ยวนี้ไม่มีข้ออ้างเลมีแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นอ่ะขอถามว่าเมื่อไหร่เวลาใดที่ไหนแต่ถ้าพอมานั่งสมาธิโอ้ย มีเรื่องมากมีปัญหามากอ่อาวมีคำถามไหมค่ะคำถามจากทางบ้านนะคะคุณประวินผู้ที่กเกษียณงานราชการแล้วควรใช้ชีวิตแบบไหนดีครับก็แล้วแต่คุณน่ะคุณอยากจะใช้ยังไงก็เรื่องของคุณใช่ไหมบอกให้ไปบวชนะดีนะทำได้หรือเปล่าใช่ไมเหมือนกับ ยงบอกไปก็ร้ายบ่อยก็คุณเลือกเอาก็แล้วกันคุณคิดว่าอย่างไหนดีคุณก็ทำไปคำถามจะคุณภพทูล์ข้อที่หนึ่งผู้ชายที่มีจริตชอบเพศเดียวกันจะบวชเป็นพระได้หรือไม่ครับถ้าอยากจะบวชจะมีแนวทางอย่างไรครับอ๋อก็อย่าไปบอกเขาสิถ้าไม่บอกใครเขาจะไปรู้ no ask no tell ก็มีนโยบายไม่ถามไม่ตอบ <laughs> ไม่อยากไปบอกเขาว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่นะครับใช่ไหมเร า, เาดูเขาก่อนดูไม่รู้ว่าเราเป็นอะไร <laughs> แต่ถ้าไปบอกเขาเขาก็เขาก็รับไม่ได้ <laughs> เพราะว่ า, าเป็นข้อห้าม <laughs> เพราะเขากลัวเดี๋ยวไปอยู่ใกล้เพศเดียวกันแล้วเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมา แล้ว เ, เดี๋ยวก็จะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้อ mm hmm. ถ้าเราคิดว่าเราควบคุมอารมณ์ได้ mm hmm. ไม่ไปยุ่งกับใครได้อ mm hmm. เราก็บวชได้แต่จะไปบอกเขาว่าผมเป็นประเภทสอง mm hmm. ไม่ใช่เป็นเหมือนกับพวกไปเกณ์ทหารถ้าเกณฑ์ทหารนี่ต้องบอก mm hmm. เขาจะได้ไม่รับ mm hmm. ใช่ไหมอ mm hmm. ต่ถ้ามาบวชนี่เขาห้าม แต่ถ้าเราทำตัวเป็นผู้ชายใ ค, ใครเขาจะไปรู้อะใจมันมองไม่เห็นเห็นแต่ร่างกายร่างกายเขาอยากจะตรวจก็แก้ผ้าเขาดูชายจริงหรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์นะคะเมื่อลมหายใจสิ้นแล้วดวงจิตออกจากร่างแล้วดวงจิตนั้นในขณะนั้นมีเพศหรือไม่ครับ มีความรู้สึกว่าตนเป็นชายหรือหญิงหรือไม่ครับความรู้สึกรักหญิงรักชายยังปรากฏอยู่หรือไม่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมร่างกายเป็นเพียงม้าที่เราขี่ไม่ใช่พอลงจากม้า ก, ก็เปลี่ยนเพศจากชายไปเป็นหญิงจากหญิงไปเป็นชายมันไม่ใช่คนขี่ก็เป็นคนขี่ม้า ก, ก็เป็นมา้าร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายใจก็เป็นใจมันัไม่เกี่ยวกันร่างกายจะตายจะอยู่ ใจมันก็เป็นคนเดิมนั่นแหละมันเป็นผู้หญิงมันก็เป็นผู้หญิงมันเป็นผู้ชายมันก็เป็นผู้ชายแปลว่าเป็นชายเป็นหญิงก็อยู่ที่มันชอบอะไรใช่นั้นแหละใช่หไหมผู้ชายมันก็ชอบผู้หญิงแล้วก็เรียกว่ า, าจิตที่ชอบผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นผู้ชายจิตท<อ>ี่ชอบผู้ชายก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงทีนี้มันดันไปได้ร่างกายของผู้ชายแล้วมันก็ชอบผู้ชายมันก็เลย กลายเป็นประเภทสองไปตามสมมติเขาแต่ความจริงจิตมันก็เป็นจิตที่ชอบผู้ชายนั่นแหละมันก็เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่มีร่างกายของผู้ชา ย, เ, ยเรียกว่าบางทีธรรมชาติมันมั น, ม, นมันเผลอเวลาผลิตมันผลิตจับผิดฝาให้ <c oughs> คนนี้คนจะได้ร่างกายผู้ชายก็ให้ร่างกายผู้หญิงอย่างนี้ ใครคนนี้คนจะได้ร่างกายผู้หญิงก็ดันไปให้ร่างกายผู้ชายมันก็มีบ้างเหมือนกับโรงงานเวลาผลิตสินค้าเนี่ย mm hmm. เขาต้องมี QC ใช่ไหมเขาต้องมีค mm ุณลิตี้คอนโทรลเขาต้องตรวจดู ว, ว่าสินค้าที่เขาผลิตนี่ได้มาตรฐานหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีการผิดพลาดในการผลิตการได้ร่างกายก็เหมือนกันจิตที่เป็นผู้หญิงชอาผู้ชาย มันไปได้ร่างกายของผู้ชายเข้านี่มันแต่มันเปลี่ยนจิตไม่ได้อะไรจิตเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนไม่ได้มันก็เลยอยู่เป็นแบบประเภทสองประเภทสามไปให้แต่ความจริงมันก็เป็นจิตแบบเดียวกันแนหะจิตผู้หญิงจิตที่ชอบผู้ชายนี่ก็ถ้าได้ร่างกายผู้หญิงแล้วก็เรียกว่าผู้หญิงพอได้ร่างกายผู้ชายแล้วก็ไปเรียกว่าเขาประเภทสอง แต่เขาก็เป็นจิต ท, ที่ชอบอผู้ชายเหมือนกันหรือผู้หญิงเหมือนกันงนั้นเรื่องจิตถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ไม่ไม่รังเกียจคนเหล่านี้ไม่มีอะไรที่ น, าน่าลังเกียจเขาเขาก็เหมือนเราเขาก็ชอบผู้หญิงเหมือนเราเขาก็ชอบผู้ชายเหมือนเราเพียงแต่เครื่องมือที่เขาใช้ในการไปตอบสนองความชอบของเขามันมันผิดฝาผิดหม้อเท่านั้นเอง มันจับคู่ผิดกันนะต่อไปคำถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์นะคะเวทนามีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงจิตหลงอาการของจิตไปหลอกตัวเองเช่นเรารู้สึกปวดฟันนี้รูป้ปวดหรือเวทนาปวดปวดครับหรือจิตผู้รู้เป็นผู้ปวดครับอ้ยแสดงว่าหลงมากตอบไปก็ไม่รู้จะตอบยังไง ถ้าไม่รู้ว่าเวทนามีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ uh huh. เด็กมันยังรู้อะไร่าปวดฟันฟันปวดนะ uh huh. ไอ้นี่มาพิสดารก็ไม่รู้จะตอบอยังไง uh huh. คนดูเอาเองก็แล้วกันจริงหรือไม่จริงเวลาคุณปวดฟันมันมันปวดจริงหรือเปล่า uh huh. ไม่เห็นต้องถามเลยนะไม่รู้จะตอบอยังไงนี่ uh huh. ค่ะและข้อสุดท้ายจะคุณไพทูล น, นะคะเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเวทนาทางกายเวลาโดนตีหัวโดนเขาตบหน้างมันก็เวทนาทางกายเาวทนาทางใจก็คือไม่พอใจอใครตบหน้าเราไม่พอใจอมันก็เกิดเวทนาทางใจขึ้นอีกสองเลยเจ็บทั้งสองเด้งเขา้าใจไหมเจ็บกายแล้วก็มาเจ็บใจอ่ ชัดไหมตอบอย่างนี้ชัดไหมค่ะคำถามจากคุณดับเบิลจีการที่เรานำอาหารที่คนอื่นให้ทานกับแมวจรจัดแล้วแมวทานอาหารไม่หมดอาหารที่เหลือนี้สามารถนำไปให้แมวอื่นทานต่อได้หรือไม่บาปหรือไม่ครับโอ้ถามปัญหาอะไรวะแมวมันยังรู้คำตอบเลย เองไปคิดดูมันบาปตรงไหนเราบาปมีอะไรบ้างไปขโมยอาหารของคนอื่นเขาหรือเปล่าถ้าไม่ขโมยมันก็ไม่บาปถ้าขโมยมันก็บาปคำถามต่อไปจะคุณจินขอบเทวดาทำบุญอย่างไรได้บ้างครับเทวดาไม่ได้ทำบุญส่วนใหญ่ยกเว้นพวกที่ใยทมชอบฟังเทศฟังธรรม แล้วไปเจอพออาระาอารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมให้กับเทวดาได้เทวดาเหล่านี้ก็จะไปฟังธรรมกันก็จะได้ทําบุญที่เกิดจากการฟังธรรมแต่ในโลกของเทวดาเขาไม่มีคนยากคนจนคนทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็เลยไม่ได้ทําบุญกันนะ คำถามข้อที่สองจะคุณจินขอบถ้ามนุษย์ใช้ความคิดทำบุญเช่นบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจคือทำบุญด้วยความคิดหรือมโนภาพคิดที่ดีต่างๆเช่นนี้เกิดบุญขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรครับก็เริ่มต้นเริ่มต้นของการเกิดบุญแต่ยังไม่เกิดผลเป็นเหตุ เราเลิกสังสสิ่งที่ดีจิตเราก็จะเย็ยนจะสบายถ้าเย็ยนสบายสงบมีความสุขก็เรียกข้บุญได้เหมือนกันคำถามจากคุณไพรทูลตอนบวชสมเนรได้รับปัจจัยคือเงินเก็บไว้เป็นส่วนตัวทราบภายหลังว่าผิดศีลข้อสิบ แห่งการเป็นสมณีนศิกขาเมื่อลาศิกขาแล้วได้เก็บเงินนั้นมาใช้ส่วนตัวเพราะโง่เขาจะเป็นติดหนี้สงหรือไม่ครับโอเคดเดียร์ตอบคําถามร็อ ก, กันนี้เถิดมีแต่คําถามแปลกๆคาถามจากคุณเพชรรัตจะฝึกตนเองฝึกอย่างไรจึงจะไม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเจ้าคะ่ะก็ฝึกกรรมฐานไง เดลานพุทธานุสติใช้กรรมฐานอย่างได้อย่างหนึ่งให้จิตคิดอยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับธรรมโมสังโฆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หยุดความคิดต่างๆได้ความคิดอดีตก็หยุดได้ความคิดอนาคตก็หยุดได้ให้จิตอยู่ในปัจจุบันพยายามฝึกกรรมฐาน ท่องพุโทโธพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนในสี่เดียบทถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานก็มาใช้คิดกับพุโทโธดีกว่าถ้าอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ค่ะคำถามจากคุณวาวๆเรื่องคนที่ฆ่าตัวตายแสดงว่าเขาเคยฆ่าตัวตายมาแล้ว แล้วทำไมเขาถึงได้เกิดมาเป็นคนอีกคะไม่เกิดในอบายภูมิหรือเดรชาน อ, อ่าเขาไปเขาไปเกิดในอบายแล้วพอพ้นอบายเขาถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อมพอตายไปนี่ต้องไปรับผลบาป ก, ก่อนไปติดคุกก่อนพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คำถามจากคุณปิยนันต์ดวงจิตที่ออกจากร่างไปแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรครับมันก็มีแต่เหมือนกับตอนที่มันอยู่ในร่างกายนั่นแหละมันมีรูปร่างหน้าตาหรือเปล่ามันไม่มีมันก็ไม่มีจิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันเป็นมีแต่ความรู้สึกนึกคิดหมดแล้วเหรออมีใครอยากจะถา ม, มอีกไหม จิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับความว่างความว่างที่อยู่รอบตัวเรานี่มีรูปร่างหน้าตาไหม ม, มันว่างหรือกระแสวิทยุเนี่ยที่เราติดต่อกันเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาหรืเปล่าจิตก็เป็นแบบนั้นอ่ะมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันมีความรู้สึกนึกคิด มันรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้มันรู้ว่ากำลังคิดอะไรมันรู้ว่ากำลังเห็นอะไรกาลังได้ยินอะไรนี่คือคุณสมบัติของจิตใจมันไม่เหมือนร่างกายร่างกายมีรูปร่างหน้าตาแต่รูปร่างแต่ร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายนี้เหมือนกับต้นไม้ เวลร่างกายถูกมีดฟันเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ถูกมีดฟันตัวร่างกายมันไม่รู้ว่ามันถูกมีดฟันไอตัวที่รู้คือจิตนะฮะไตัวที่ทุกข์ก็คือจิตนะฮแต่ตัวร่างกายมันไม่รู้สึกทุกข์มันไม่รู้ว่ามันถูกมีดบาดแต่จิตนี่แหละเป็นผู้รู้แล้วก็ไปคิดว่ามันเจ็บ แต่คิดว่ามันอไม่ต้องคิดอะมันรู้ว่าว่ามันเจ็บเอแล้วมันก็เลยทุกข์เพราะมันไม่ชอบความเจ็บมันอยากให้หายอันนี้แหละคือจิตแะนท่านจะพูดถึงจิตอย่าไปเปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายมันคนละเรื่องกันเหมือนเปรียบเทียบกับเอน้ํากับไฟเนี่ยมันคนละเรื่องกันเปรียบเทียบกันไม่ได้น้ํามันมีคุณสมบัติของมัน ไฟก็มีคุณสมบัติของมันร่างกายก็มีคุณสมบัติของเขาใจก็มีคุณสมบัติของเขาต้องมาศึกษาว่าคุณสมบัติของแต่ละสิ่งเป็นอย่างไรมีเข้ามาอีกมหอ ย, ยังเนอะยังก็จะปล่อยให้กลับเร็วแล้ววันนี้เพราะฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีก็คิดว่าวันนี้ได้ประโยชน์พอสมควรได้นั่งสมาธิกัน ได้ฟังธทำอพอสังเขต พ, พอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ขอให้ท่านจงเอาเมลสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติได้เอาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในธรรมทุกท่านเทอ